ไม่เอาหน้าอย่าซสีเรียกเรื่องไล่ควายเข้าหายเด็กหนุ่มอายุทยามีวิธีสอนพ่อดีมาก พอติดเหล้าไม่ทํามาหากินมีที่ไร่ที่นาเท่าไรขายกินเหล้าหมดวันหนึ่งลูกชายเอาไหปลาร้าที่ปากเล็กๆมาวางไว้หน้าบ้านแล้วใช้ไม้ตีควายบังคับให้ควายเข้าไหให้ได้ควายมันไม่ยอมเข้าเพราะไหมันเล็กมันเข้าไม่ได้มันก็ร้องวิ่งวนไปรอบรอ พ่อกำลังนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านเห็นเหตุการณ์โดยตลอดจึงตะโกนถามลูกเองจะทำอะไรผ ม, มกำลังตีควายให้เข้าหายพอ่อเองจะบา้าหรอหายใบนิดเดียวควายตัวเบออ้อเร่อมันจะเข้าไปได้ยังไงข้าอุตส่าห์ส่งเองไปเรียนแต่ยิ่งเรียนยิ่งโง่ไม่ได้ความอะไรเลย ให้บ้าหรอกพ่อมันน่าจะเข้าได้นะเพราะพ่อเคยทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วไงนาสิบกว่าไร่พื้นเบอร์เรอร์พ่อยังเอาใส่ขวดเหล้าได้เลย